ก็ถามว่าเหตุใดเหตุใดท่านถูงมาห่้งต น, น้่าอมาห่วงว่าพ่ะเจ้ามาเราหามื่มแล้วก็กลัว่าขระศิษย์จะเโรคแบบนี้ขอให้ยกโจผีขึ้นเป็นเจ้าแทนที่ตำเนยเพราะจะยู่งถ้จะได้ว่วาระจะการปีไปแบบตะบอนท้กคนจะได้วางใจ พอมีเจ้ามาขึ้นแล้วอันนึงฆ่าเสร็จก็จะเม่กําลังเลือมซุนมาหูเข้ามาพูดอย่างนี้นคุณนุ่นต้อียอวก็จร่งที่ตมวะท่านนี้ก็ชอบอยู่แล้วแต่เพราะเจ้ายิ่นเตยยังไม่มีการับสั่งตางมาเราทงเกวรจะทำตามมนเพืานี้นจะได้ตรือเกีเยวก็จริงที่ว่าธนูเจ้าดับสินแล้ว คนใหญ่ก็ว่าราช ก, การแทนอี่ตันเตียวว่าแล้วก็เอาแบาบปมาตัดเสื้อให้ขาดเปนหน่อยนแล้วก็ทิ้งลงกับพื้นดินแล้วก็เชคุณ น, นายห้าวเปียโ น, นแล้วก็ร้องว่าให้ยกโจผีขึ้นเป็นเจ้าในวันนี้ถ้าผู้ใดขาดขวางศีรษะมันที่นั้นตกจะขาดตกลงพื้นแผ่นดินเหมดังเสื้อนี้ เขาเป็นคํ า, าน้คุณน า, นนกกายก็รูกตกใจกลัวต่างคนก็ตาา่างดู่ก็พอดีฮวหยินที่เป็นคุณนายผู้ใหญ่คนเก่าคนแกมาแต่เมื่อวัน ต, ตคุณนายสินเตล่าตกใจกลัวหหญิก็เดินตรงเข้ามาคุณนายสินเปลก็ถามว่ามาด้วยเหต่องะไรหัวหินก็พูดว่าโโฉก็หามุญไม่แล้ว แล้วก็เกรงว่าข่าสึกจะต้งเลิกให้ เ, เพ้มโจผีขึ้นวันจะการแทนบิดาเทชคุนนางุ่นเปรก็จึงว่าบัดนี้ก็ปรึกษากันอยู่ว่าจะตั้งโจผีขึ้นเป็นเจ้าแต่ว่าก็ยังคอยอยู่ก่อนโดยว่าพระเจ้าอยุ่เตะจะไม่จะทำปาาตั้งเลยมาโดยวินก็จึงว่า ก็เจ้าเจ้าเด็กลาภคร า, า, รารเจ้เย็นเตระรจ้เย่นเตะให้กั น, นทานให้เหลือกอดถือม้เหลียะคนนี้บนนี้นก็ดีใจ่างก็ถึงโหร้องเต้นรมกันอี้ออิี่เด็กหันก็กลาต่างออกให้ดูอนเดียหินคนเนี้เป็นผู้ที่ฝักฝ่ายข้างโจโฉเรียกว่าเป็นคนของโจโฉเนี่ยแต่เป็นอยู่กับพระเจ้า็นเตะ เพื่อคอยสอดแหนมเอาเมื่อความต่างๆในตัวเยินเตะมาคอยกรอบกราบพื้นแต่โจโฉเนี่ยโห์หนีุนคนที่ว่อโจโฉตายแล้วโยห์หินก็ใคร่จะโจผีซึ้นเป็นเจ้าแทนจึงเขียนกราตั้งโจผีแล้วเอาเข้าไปกราบพื้นแล้วตัวเย็นเตะเพราะตัวเย็นเตะก็เออเอโยห์หินที่ได้ร า, าตั้งนั้นมา เขาทาเองเลยป่าโจผี่ก็เด็กหขาขนนาง ก, ก็มาป้าวนางทัเอพอนก็มาถวายบังทูโจผีก็แต่งตัวเองนุนนางผ้ใยญ่ผู้น้อยทั้งเพื่นเพื่นมาแล้วก็มีคนก็ามาทูลว่านี่ตอนนี้ต้องทูลแล้พราะโจผีได้กลินเป็นเจ้าแพโตโโตโเป็นพระเจ้าวิอ๋งองโจผีก็ขึ้นเป็นเจ้าเหมือนกันแหละแอ้วก็มีคนมาทูลแบบโจเทียน น้องทำอยู่เมืองเตียงอันยกทัพใหญ่มาประมาณสิบนิ้วโพผีนี่มันก็โตใจทีเดียวเพราะมือจะเป็นปกติกอยู่ปราเปลี่ยนการบินจริงอำนาจจะเป็นเมืองเล็กเมือง moderate ยางไงก็ตามไม่เหมือนอื้องเสี่ยวสิ่งเชื่อสิ่งโยงไปก็ต้องกล่าวว่าลูออกหลานทำเอาคนณซึ่งได้หมดหนะ เรื่องรางต่างเรานี้บุคคลเรื่อมงสมัยล้วก็ยังรู้กันดีอยู่เมื่อโจกินยกทัพ ม, มาติดคืมมือโผก็ตกใจปรึกษาจากพี่เมืองท่านเตียงทีเดียวว่ามเมื่อโเหลืองคนเนี้ยเมื่ออยู่ด้วยกันเนี้ยมันก็เป็นคนดุนันโมโหมากแล้วก็กล้าหาญมีฝีมืรถพุ่งก็เพุ่นแข็งมเมื่อยกทัพมาบัดนี้ยจะมาสิ้สมบัติได้วิประการใด เบืกูก็จีวะเข้าไปเจ้าเาจเ อ, จ อ, อไปที่จากับโจกยองดีกว่าก็จะได้รู้ว่ามาดีหรือมาลายประการใดท่านาท่านเบือนก็จวีวะเบือกูที่ท่านว่านี้ชอบมากแลถ้าคนอื่นจะออกไปก็หาได้ามาถ้าท่านออกไปครังนี้ก็ดีนะถึงแา้ว่ามาร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะพ่อคําของท่าน ตัวผีเด็กปางก็ดีใจก็ทเกียกูไปออกปเกียร์ูก็ออกไปหาตัวเกียร์หมอกมีตัวเกียรเหมือนเกียร์ูหมาก็จึงถามว่าบิดาเราเื่องไปแล้วเพราะจัยุนเตะตั้งที่ใบวารป็นการแทนดิดาเราเปียกูก็จึงว่าพระพุมีโบราณถ้าเป็นคนเรื่องไม่ดาหาไม่แล้ว บุตรชายคนใหญ่ที่อยู่ในเรือนนั้นก็จะได้ว่ากล่าวแทนบิดาแต่ถ้าเป็นการทผ่ดินลอกบุตรชายคนใหญ่ก็จะได้เป็นเจ้าแทนบิดาว่าราจะการสืบไปตัวท่านนี้หาเป็นลุกชายคนใหญ่มากหรืะจะเป็นขุนานางผู้ใหญ่ก็หาไมา่มาถามถึงความนี้ ด้วยปสตเบีเยย้อนถานได้อย่างโตเสียวไดยยินเกียกุยกัมกป็นเมือโราณผู้ประการบงอย่างรมาว่าดังนั้นคชอบเบียก็มียแล้วก็พาเสียกีเแลกเขไปเมืองเขาไปใกล้ยันเบียกีก็ถามโตเกียวว่าที่ธนบัตร น, นี้จะมาจิ้มระดับอาจจะมาจิ้มสมบัต เรอจะมาทำการศพเกยดปีก็จึ้ว่าเข้าไาจมาครั้งนี้นะะนึคิดว่าจะมาชิมเอาสมบัติเน้อหานี้ได้ที่มาเนี่ยโดปราศนาจะทำการศพสนองคุณดีดังหรอกเกิดก็จิงว่าถ้ากินดังนั้น่ะก็เกิใดใบผู้จึงพาถามามามากมายแบบนี้ ก็เห็นตัวผีเดียวก็ขับถอยตัวใกบไปใช่หรือแต่ตัวผีเดียวเข้าไปเฝ้าตัวผีที่ชายตัวผีก็ออกมาปอดคอกันกับโัวเตียงพี่น้องเราทั้งสองก็ร้องไห้เดกันทั้สองคนแ่ะเป็นความเศร้าโศกสงประงับแล้วโัวเกียงก็กลืคิดว่าพีชายจะเครองใจตนก็บาย กบวทหารข้าขเจ้าที่เดินน้ำมาด้ทางนี้ก็ขอมอบไปแก่ท่านแล้วโจเกียงก็เข้าไปทำมัฟ บ, บิดาโจผีก็ให้โจเปียงไปรักษามินเปียงหลงโจเปียงก็ทำมัฟ บ, บิดาแล้วก็ลาพี่ชายคุณทหารไปรักษามิอเปียงหงิงโจผีก็ตกแป่งเครื่องอุปโภคบริโภค พห้เหมือนเคื่องราชบรโพกของพระเจ้าเยนเืนโตพุทธกานเมื่อโตผีในที่บนเจ้ า, น, จานั้นพระเจ้าเยนเืนโตมาอยู่เมืมองอุตโตใน ป, นปีที่ยี่สิบรวกับปีพุทธศตรรษเจ็ดร้อยหกสิบนี่คือลงจากปีที่โตโฉคือพระเจ้ามีอ๋องตาแล้วม ีเป็นเจ้าคนแล้วล่ะเาก็ตังเยยิ่นเป็นเสนาบดีฝาขวาตั้งกาเเป็นเสาหาบดีฝ่ายซ้ายอองหลงอองหลงเป็นผู้ึกษาผู้ใหญ่ขุนเองบดาขนมทั้งปวนั้ น, น, น, น, น, น, นก็ให้เรียน่เรียนขังน้งรยทานเกันตามทั้งเรนดบแล้วก็ให้ตั้งที่ฝังศพดีดาเป็น จุดเิตสองหจ็บิตสที่ตามคำที่ดีดาสั่งไว้นั้นเพืะอหาจารึกอักษรไว้ที่นมาจุดว่าจุดนี้เป็นจุดฝังศพจ้าวีอ๋องมีพระาริยเจตุถนังจุดวันที่เขาหมอกให้เขียนเป็นเรื่องอิจิมเปรย์เบืนอเอี่สต่ำเมื่อเสื่ย เอทโกนีบายนั่งเพื่อนทหารตีปวงพับอีิแตกเตียอีจับอีกินบงเตกได้เตียงอไม่ติดขี้นอีกินบังเต๊กนม่ติดตามบางเต๊กเป็นชายทาาหารหาตัวความตายมหมเตียงอีให้ฆ่าบางเต๊กเยอะตายอีกินัวตายกราบไหวเตียงอขอชีวิตเมื่อใจรู้ยังมีี โถ้ okay, นะาไม่ทาอย่างนี้พี่เจเผียห้กระทําเนนี้ก็ต้องการจะประจาอีกกิถให้ผมได้อีกิมเกลีวความตายหาเป็นชายท่าสารหน่อมนี่ได้คิดถึงความระยิ่งอ้อนบ่นขอชีวิตยิ่งรอดมชีวิตมา ดเดี๋ยวเจ้าผี้ทำหน้วเพื่อหวังที่จะมีไานขอจีย่มอย่างสุนี่เองแล้วก็ที่อีกินเนี่ยมาอยู่รักษาอิดที่ฝังตกเจ้าโถ่ฝายอีกิมอมาทำมาเสียรักษาที่ฝังศพเจ้โถเนี่ยเห็นชาเห็นฤทิ์เกตผมเขียนมัยืรมราประจานเต็มไว้เท่า น, นั้นก็มีความระาอาใจนะ ดูมาไม่เท่าไรก็ปลอมใจ ย, ยิ่งแล้วก็เป็นไข้ในที่สุดก็ตายไปด้วยความปลอมใจแล้วอี้ขุนขุนน า, างเก่าๆอีกคนหนึ่ตายไปแต่ถ้าเราจะย้อนกับไปดูเรื่องราวอีก น, นิดเดีวยว ที่อาสาไปปราบเวรเอพร้อมด้วยบางเต็กเนี่ยินเปนแม่ทับบังเต็กเป็ม่ทับม่เนี่บังเตกกรทําการเกียบะมีชายชนะเจ้าโือเิดจะมีชายนาาชายะนะเวออี ก, อกินนีบางเต็ก อ, อย่างนั้นเพราะเกรงว่าบางเต็กจะได้มากกว่าตนเกรงว่าบางเต็กจะดีกว่าเอ า, เาว่าอย่างไรก็ได้ ต้อมาตายด้วยความกล่อมใจถึงออกขนาดนั้นหัวหินก็เลยเข้ามาทูนแเ่โจผีว่าโจพงน้องผ่านมากระทำการเคารพสบิดาแล้วเอาถานะมอบให้แก่ท่านต่โจศึกตึงอยู่เมืองจีนีละโจหิมีเมืองเชื่อหวน้องเป็นสองคน หาดมาทาการขอรบศมีดามท่านจะให้ตปลงอาญาแต่น้องท่านทั้งสองกิจะควรคจะต้องอดทำกันตามแบบอย่างคือจะต้องเห็นอยู่ในนาจมีมีมาขอลมีดบดาอย่างไรต้องลงโทษลงทั้กโตถึงหลชอบเดือดก็จึงสั่งฐานที่ใหญ่ให้คุณฐานตปลงอาญาน้องที่สเรงแหละ ศร ท, ที่ใหญสองคนก็พาทาไปตามโตผีสังทหารของโจหินรู้ความกรธแความไปเจอก่บเตหินเนี่โตผีพี่พา น, นัดกรดว่าถ้าไม่ไปเคารพศพิดาแบบนี้กองทหามาลมอาญาท่านโจหินลนายค น, นนี้ก็ตกใจกลัวอาญาเนะละลงในที่สึกนะโตหินเนี่ย ก็ผูกคอตายตานี่ขนาดบอกบอกที่ยังไม่มีอะไรเจหินผุกคอตายเลยทที่ไปเรีนอาญาแต่โจหินไม่เจาะแตอตายไเลยอกกลอนี้วมมาเจาะแต่โจผีโจผีก็ทให้ไปตั้มองแการฝัเพราะรออักษรไม่ติดน้ดว่าที่ฝั สาเมืองเชหวยก็ให้เกียรติผิวทเมืองินีแต่พม่นิจมินจิกายนนจิเรอโจิมาเพื่อลมอาญาโจผิป น, นมานอความก็ไปจแต่โจผิอนี้ก็โจิ เป็นยิ่งเป็นี๋แม่เจ้าราตุนโกสุดเลนี่ยความเราหวากลัวามากทหารที่ถือตราเข้ามามาถึงแล้วจะบลนอาญาเนี่ยโกสิก็มังเฉยเลยหาดูกระทําหันมากเปนอีกก็ถือว่าจะพิจิตรานั่นแหละทั้งโจเถอยยังอยู่แตตัง้งยามเราเป็นใหญ่ คนรปากซอพอยุอยงตุณงขับเพียงมาคุ้นก็บทุกวันนี้อย่ามาหมัดนี้ตัวเธอทาตายังมีทำไรทิกก็มีปลาให้มาลงโทษกับพี่นอ้องเป็นอีวายางเป็นนี้ก็พิจารณาว่มาเราม่มีสติปัญญาเฉลยชา้าควรจะเปัญญาญ า, าแทนดีบาแต่นี้เป็นเด็ เพราะคนย่ยมมายเราที่นี้เัยเป็นใหญ่เป็นอี่สป็นอีเดียแกบบว่าปิดฝกษาขึ้นใของเจ้ิว่ากล่าวเอากับผู้ถืออาญามาอย้ น, นฝ่ายเจ้าถก็สั่งทาหารทห้ใส่คอผู้ถือกลาออกไปเลยแล้วเอาตะบองแล้วทกไห้ตีออกไป้วย พิดผกร า, พย า, ยาเพื่อจะมาลงอาญาโตสิบด้รับกาก็ทำยุ่ง น, นี้นก็กรนะีบก็าทำเรอความนี้ไปแก้แต่โจผีทีเดียวโตผีเมื่อได้ฟังผมก็โกรธมักละห้เ่าถูนี่ประมาณสามพันรีบไปยังมีลนิธ ฝ่ายทหารขึรถสามมืิงสีก็ม่ยอมให้เข้าถูอเข้าเข้าถือก็ฆ่าทหารที่รถสามมือซะเลยแล้เขาถูก็ค่มขังเข้าไปในเมืองเข้าไปถึ ง, ถงที่ที่อของโจสิสเลยเห็โจสิตตรงนี้รงนีเนมาสุรานอนเผลออยู่เขาทือก็เลยมัดเอาตัวคนนี้สา ม, มีใส่เปลมาเลยมาทั้งสามคนเลยโจสิ เปงนนเป็นอึเด็กแล้วก็สังถามาให้คุมาบุตรยาบ่าให้ในเรื่อของโสดิกกลับมายังมีเงียบอดอัสามสิสามตอนนี้ตอ้ไตอนที่ามมันเป็นเอ่อเป็นเร่องของความขาทษไเปล น, นเสียไป เมื่อทีาการไม่แต่มียากและไม่แต่มีที่คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่วางท่าทากันตาติดขอ้นขึ้นตะกูลโจขุนโจมโจโฉที่ดูดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าตางหนึ่งอโจโเขาขึ้นมาตอนงจะไม่ตกเป็นอ่าถึงจะมีมีตกเป็น ขม nope. ้กระสัแต่ก็คล้ายๆอยู่คือพระเจ้ายื่ออกจึมจิตาจต่างๆและทั้งสิ่เมื่อเจอสิ้นไปที่ๆเป็นทายาํสหรับติดทอดต่อที่บทบาทบรรดาักด์ตำแน่งยืนที่สมบัติพระปรานณาาประการนี้ก็มีการยืนทิ้งกันอยู่กันได้ตัวหญิงต้องอยู่คอตายตายด้วยความหวาดกลัว โจิษย์เองถ้าจอว่าไปเจอศิษยนี่แหละก็ตั้งใจจะทิ้สมบัติจะโจผีเหมือนก่นเหมือกับเจนทหมาเลยพราดมที่ศิษย์นี่ก็ม่อาจจะพูว่ามีเจผีบ้างแล้เก็ดปัญาตายแล้วก็ดีว่ามีความรู้พอเอาไรอบไปได้หรอกอ่าดูศิษย์เจผีบอกว่าขอให้ทิ้ง เฮ้ว่าเครื่องว่าลองไปฟังสักหน่อยสิเนี่ยเฮ้ยว่าฟังสักหน่อยสิเอาเปรียบกบเพื่อนพี่เร น, น้องกันนี่แต่ว่าแต่ว่าไม่เอาพี่เอาน้องมาอ่านนะต้องอ่าอนเองนี่เขาก็เก่งทีเดียวละนี่มันสาคัญอยูทีเดียวเป็นเป็นข้อความที่น่าจะประลึกเก็บจำกันได้บ้งเลยทีเดียวเอาละเราไม่อาจจะทราบคําโคล โดยแทย้จริงเขาได้เพราะภาษาต่างกันและที่ผุดพอใจความไหวก็ไมิได้ปรณนาเป็นคำโคลน ค, คำกลับคำควงไปอย่างไรเปน็นความธรรมดาธรรมดานี่เป็นความว่าขั้วถัวเนี่ยก็เอากิีนถัวเนี่ยมาเป็นปืนเม็ดถัวมันจะไหม้มันก็เพราะไอ้กิีนถัวไอ้ต้นถั่วไอ้รากถัว เ, เ, เ, เ, เนี่ย เดิบมาใหจิงเริ่มไฟเข้ามา ห, หนักนักแล้วมีมีตัวผีได้กฟังนีถ้ามาคิดดีแล้วต้องคนอยู่ในสภาวันั้นวามความอย่างนั้นก็จึงจะเข้าใจได้ดีโดยสุดก็พูดเป็นที่จงน้อมกันนี่พราวาตอนนี้น่าระเียดกา ร, รติดวับตรงๆเอื่อวงศิลปิน ครับสมัดเป็นตานะแประจันก็จะต้องเป็กเด็กน้นี่ทะเลกันนี่แหละก็เป็นอย่างนี้เะ่าจะต้มาฆ่ามั น, นม า, ม า, า, นมน อ, าอะไรกันก็มนีอะร่โจรผีถึงร้องเลยะระเป็แเนานไปละีม่มาทันข้างเพรเ จ, เจรา้าหลอกตีแต่ด้วยคที่กลไว้ประจนนะครับที่โจรผีเริ่มกระทาการนี โจผีก <elekt french> ็ทำยุ่งอย่างยิ่งกว่าบิดนาถึงยกว่เโจโฉโตโฉก็ยังยิ่งแล้วโจผีทำยิ่งกว่าอีกและคนทีพระเจ้าเฮ่ยนเต้ยิกว่าโจโฉซะอีกอีกความนีอริปฏิยาปิดเข้าราปิดเข้มเรโดยท่าจีนทำดินตีนทั้งสิ้น เ่าปีก็ปราณาที่จะครองแต่ที่เดียวอยู่และเมื่อเชือสายหนีแทบกโจมากจะทาเช่นนี้ย่ย อ, ยอมนอแน่นอนแล้วและเราปีก็คิดวาแงแผนการที่จะต้องแตแค่เน้่ะนอู่ก่อนมีบงังลาแล้วนะครับอีกเช่ที่ เ, ทเป็นปีกมะแล้ตอีเพแค่ห น, นึ่งม็งมวนวันนับอกขั้นแรกก็จากบุคคลทั้งสองคนหน่ตัดเล้าห้องมีปี จะทำยังไงตัวการใดกันเ so, นี่ยเราปีไงจับฆ่าแต่คนดงบอกว่าไม่ได้าแต่ทำอยนั้นมี่จะเสียผมอย่างแต่ทำ่าทาวะแต่ทำน่ไม่เงนหนักก็ยังมีนี่คือไปแต่งไปันนะแต่ความนี่ก็เลยรอบถึงดุตัดจบแบบในสุดดุตัดหนีผมเองก็วางแผนให้เราปีตอไปให้นี่ตีเล่าของนี้ยให้ให้ไปตัดไตัดม่ให้ได้นี่ มันก็วงเขาไปตัดตัมให้จได้ละไม่เอวางมาจตนนีเป็ตันี้ครับแต่และความต่อไปนี้มีเป็นตอนปรายของฝั่งกกที่จะไม่หวงมีคนที่มีพมีเท่าเพียมพันกันนะครับคือเป็นเรื่องกะมาอีนี่เขาพักเีกยมกันทีเดียวที่จะต่อสู้กันด้วยกลยุทธ ความคลิกกระตุิตันยาตันา้ำประการต่างๆมากติดตามอีกมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เราคาดคิด จะดการขุณเมืองเกาะเข่าฝ่าวแหนพร้อมกันทั่วมาก็ามีคนเข้าไปทูลว่าเบื้อะตักซึ่งเป็นฐานของรอบีสามาักที่จะเข้ามาเป็นทหารเจวผีก็จรงเห้หาตัวเข้ามาแล้วก็จึงว่าเออมาครั้งนี้เพืเห็นว่าหามาเด้พิริรือม่ จะมาคิดอ่านคนอุบา ย, ร เ, ราย เ, เรื่องเรามีตเวผีเร่อนู่นี่เลยดุจปัสกพูดว่าเขาจะเจาเป็นคนเท่าเล้าปีดูนีได้ยกกองทัพไปช่วยเกลื่อนอูนะั่มือจี๋เกลื่อนจี๋ินเสือแต่กางฝั่งเกลือน อ, อูก็ถึงแตบความปายพระเจ้า เ, เราปีจะ่าข้าพระเจ้าเสีย ก็ะเกิดเป็นมหนือร้อนมาทีงเง่เย็นเพื่อเพรอดจากความตายซึ่งจะคิดไปไมรอดเวนท่านนั้นหาม่ได้ทั้งนี้เป็นความสัดนิบดึตัดได้อย่างนี้ปรากฏนิมีตามข่านที่ดึงตัดว่าละพอขั้นเจ้าผีลคิดที่จะเชื่อใจได้อย่างไรพระพฤตการ์เจ้าผีก็ยังกครงใจอยู่หาเชื่อมา ถึงฝ่ายเล่าห้องฝ่ายเล่หาลหอคค้องคูณคิดกันเบื้องตนี่แหละถ้วไม่เป็นอุปเนี่ยเล่าหงเนี่ยก็ได้รับมีอสิเอื่อรอปีที่ว่าเบื้งตัดทกระหมนี้เพื่บใไปเจ้าห้เล่าห้องนี้คนที่จะปีนไม่จนได้เล่าห้องได้รับมีอีิกรณีจะผ่ า, าได้วยห้ามีตบยกตามเบืองตัดมาถึงเมืองยังย้อนขอาไปร่างอบบู่เืองตัดออกมาให้สิ มีคนมาความ่เข้าไปเทเูลแต่โจผีตอนนี้เบ่งปากนี่แหละขณะที่กำลังโระแจ้กันอยู่เนี่ยเบ่งปากก็แสดงความจิงใจออกมาโจผีก็ยังแขวนแขวใจอยู่ใน่อาจจะเชื่องไ้ได้เล่าฮองก็มาทารีบข้ออดีตอนมีคนมาคว้าจะทูนแต่โจผีตอนนี้เบ่งปากโดยว่าแบบนี้เหล่าฮองจุดเตามเบ่งปากมาถึงเ ง, ง, ง่อนยดุโจผีก็จู่ๆกบ่งปากว่า ถ้าท่านมาดสามภาพรเราโดยสุจริตก็เป็นคนทหารออเปอเรชกับเราฮองเอาศีสละเล่าฮองมาให้เราให้เต็มได้เนี่ยเราจึงเห็นความผิงของท่านม่นตักก็จว่าเล่าฮองคนนี้ก็เป็นคนมีความผิดกรณีเดียวกันเหมือนนข้าบเจ้านีแหละกหาพรต้องรบเพิ่งไม่ ขบตะ จ, จะออกไปบอกผูดจาให้รู้จักโทษของตัวหรก็ะจะส่งเสริมขุนท่านยกย่องทุกย่างฐามที่มีชี้มือเท่ น, นี้เราห้อก็จะรู้ในความผิดของตัวก็จบสมัรมาเข้ด้วยท่านโภถีที่อยู่นก็ดีใจก็ั้างเงตัดนาานใหญ่จเมืองเสือว่าระเบิดเมืองยังหลงและเมือนต้วนเสียด้วย แง ท, เทงเห่าเสี ย, ง, ยตตงตัดชหลงทหาของตผีเนี่ยผีแทงมายิงังเหนื่อยังหยมาเกียกองทหารที่เหนื่อยเกียรางหนึ่งตัดแบบตั้งตั้งแล้วไปถงยิงยังหยงแล้วแเห่วเสียงตัดชีหลงก็ออกมารับก็ทาธรรมัดกันแล้วก็พาจนเข้ า, าไปในเมือง แลาก็ยิ้มอกกับเบื้ตัดวเล่าหองยกกองทัพมาตั้งค่ายอยู่ใกล้มือยังโยนทางประมาณสักห้าร้อยเซนเบ่้อัดก็ขึบบ้นถือกระบี่เห้ทหารถือไปเกลี้ย ก, ก่อมเล่าหองกับใจความที่เจ้งสั่งโทอันเดียวส่งกัตนี้น ส, นนสั่งจะจิดตามมาฆ่ากันเรื่อยเรื่อยมาอยู่กับเพะเจ้าถือก็เจ็บอีกใจความอย่หยอดดันี้ปลายเล่าหอง เต่รับมันสูดเบ่ตัแล้วก็โกรธนั้นสิเดียวเพาว่าไ้ขบวดคนนี้มันจะทำให้เราพอยถุไปเรือยมันเป็นคนมเมตเพลินตอดเจ้าข้าวแบงแล้วมันจะทำให้เราคิดคดด้ยวยเราเหล่าฮองวาอย่างนี้ที่เลวก็เป็นความจนอยู่ทีเดียวแล้วก็แต่แรตอนที่เตรียมเองหาเรี่ว่ามาขอกระมังทับไปช่วยนี่ความจินตอนนั้นเล่า้องก็อสองจิตสองใจ แต่ก็ดูดแรงดของเบ่งตัดมีแล้วทำให้เหล่าฮองมีไม่อาจจะให้ความเพี้ยเลแต่เติมอนอีได้ในตอนนั้นก้ามาแบบนี้เบ่งตัดมาเพี้ยความอย่างนี้เหล่าวองก็งิน่าเอาอย่างนี้แล้วก็ขีนสื่อ้งเสี้ยฟัง้ถามเอาตัวคนถีอสือของเบ่ตัเดเนี่ยเอา่าเลี้ยงฝ่าเบ่ตัดรู้ดังนั้น นัสือเครี่ยกต่องของตนเมื่อเป็นผม ก, ก, กแ็แล้วก็โกรธก็ปรึกากับเฮาเสียงและสิเอ๋เนี่ยแหละถึงวันที่ทั้งทั้งสองนคนหันไปซุ่มอยู่สองข้างขาตาตัวเขา่าจมจะยกไปรบกับเล่าหองแล้วจะทาเป็นถอยมาตามทางนั้นถ้าเล่าห้องไล้ตามเข้ามาตามทางนั้นแล้ว ท่นก็จะยกกองทัพไปซุ่มอยู่ตีกวัาหนาบมาให้ดีเข้าเชื่อกันจับตัวเล่าห้องให้จนได้แทนเฮาเสียงยเหลสีด่วนก็ชอบเบลก็ยกกองทัพไปสิ้นอยู่สองข้างทางตามแผนการของลงปั เหล่าองเห็นืองที่เจ้าอกตีเหล่าฮองก็ขุหนออกจากค่ายเบงตก็ผีม่ม้าถือเทีนมหน้าทัออกไปเล่าฮองเห็นก็ที่มาเดีแล้วก็ร้องว่าไปขบถอดก้าเข้าไปเหตุใดจะมาเปรียบกลอมเราให้เป็นคนชัว่วไปทีเจ้าเราเบงตาก็โกรธเหมือก น, นกันะก็ร้องก็ไปว่า ก็เป็นคนโทษก็จะถึงที่ตายอยู่แล้วหาเรือลางปลาจะมาถึงตัวไม่ไอ้จ้องห้องยังมายกย่องว่าตัวเอง ด, ด, ดีอีกเล่าดูขัดหนาก็นไปอย่างนี้ไอ้จ้องหองเลยเล่าหองก็โกรกควบมารมโนเข้าสู้กับเบลปาตผู้เด็กสามเพลงเบลปาม์าวางแผนเลยแล้วผู้เด็กสามเพลงนี่ก็ถือเป็นโลภิพราก็ทำเ เห่า้องก็บังโทสต์ต้าก็ไล่ตามบปตามไปประมาณระยะปราณ2 0งเ้อนทิเเสียงและสห่งสิ่งเส้นทั้งสองข้างนั้นก็เป็นหลอกเป็นกระมาเข้ามาเบนซัก็หันกลับเข้ามารบอีกเพราะเบนซัดงหนีนี่ไม่ใช่แค่จิจริงเพงเลี้ยงให้กามาถึงที่ร้อมเท่านั้นละ บาดทีสองข้างีขนาก็เบตัดก็หัับไปประท้าเขาไปเล่าห้องก็เต็มยิงทับขนาถึงสามบ้านสิเห็นเหรอกำมันจะต้านทานไม่ได้ล้าก็พาถา ม, ถามถอยหนีไปตามทางเมืองเส้นให่งหตะก็พรมเด็าเอาเทียนและสิเ อ, เอ๋คือเอ๋อีตัวเดีเป็นพูมีฝมือควรคู่กับควรอูดีพีเดียวแต่นี่ได้โอกาสประท้ากันเท่านั้นแหละ ว่ทั้งสามเนี่ยก็เขมรติดตามเบงตาปัดพี่เด๋อนี่ก็เจอกองอ่าเงหรติดตามเล่าห้องไปนะครับคือว่าเบงตาหเอาเียนกับพี่เล๋อไม่ตามปัดซหลงนั้ได้พูดกับกองทัพเล่าห้องนี้ยับเยินเหวี่ยงแต่ทั้งสองคนตามไปก็จะได้ช้ชนะเงินจริงๆที่เล่าหองจะไปนี้ ก็มั่นคงอยู่ยังเตรีอยู่แต่เมืองห้องหลงนี่หามั่นคงมากข้าพเจ้าจะขอคนหนาไปรักษาเ ม, มืงห้องหลงวัดเ่ตา ก, กับเฮาเาเฟียกกนก็เด็กกับที่เหนที่เหนก็คนหนาไปรักษาในงห้องหลงกลายเรี่ยวางวหงนีไปถึงมเมาาอะนะอืองเซินหย่งวากลางคืนนะอกเขาไปจะโผลเนื้อให้เห่ปฏิปรับ ตึมซึ่งตึมซึ่งรักษาเงินคอยู่นงได้เข้าเปรียบกองเป็นข้าของเจ้ีได้ปดังนั้นก็ขับผีที่เราสงมารเชให้ถเลนดมดมกาทำแมันดังหาผลือหาของเลาหองลมตามมาและสิสนตัก็คือใบเล่หอรรบหน้ามร้องจะเกนลงมาว่า เราว่าจะมักข้าวเป็นข่าของโจผีแล้วเหล่าหองดูมัก็โกรธนะที่จะข้าวจะตีอะไรเป็นอย่า ง, ง, ง, งไรบ้าก็พอดีกองทัพแ่เฮาเพียงกับเล่งปะตามมาทำขา้าเหล่าหองก็ต้องพาทั้งหนีไปเรียงคลองหลงมีที่เหลือ ง, อ ง, งดิปัญญาดิปเอาพอพอเหล่าห้อง ถึงเห้องหลมลาขึ้นไปีเพลนที่ปากมเงนเพเพนมเพนมีอักษรมีมือบอกกล่าว่า่งนีเป็นข้าของตัวผีแแล้วก็ซิดิซิมต้นมหนีสคนที่นองนวางแผนให้เป็นหนีมาอยู่กับตเวผีอะซิมหนีเป็นที่เราสามีห้องหลุซ มีมีเป็นหอรบเบเนพมสังยามเรียกปิ่งเหลืมปิ่งเฉลิมก็ยก ก, ยกองทัพออกไปโจมตีเล่าฮงเล่าฮองต้งนานฐานได้ก็พาฐานหนีไปอีกปิ่ลวมกับท่านเพือนไม่งลวก็เลยติดตามฆ่าฟัานทหารคนลเล่าฮองล้มตเป็นอันมากทีเดียวเล่าฮองก็พาทหารเรียกตายหือหนเจนกั ไปยังเมืองเสขวนก็ทาการเมื่อสำเร็จเล่าโฮมกากไปถึงเสขวนด้วยความพาคภัยยับเยนก็เข้าไปพ่อพระเจ้าปีศาจตวานมันโคลนแล้อกร้องไห้กราืยึความที่เป็นไปติดตามจับเสียนไม่ตแต่ต้นเป็นปลาย ให้เจ้าเราตีก่าถ้าเจ้าเราตีก็โกรธนิดเดียวก็ด่ า, าว่เป็นลูกถอยเปิดมาให้เสียชาติหรจะมีหน้าหมาตีอีเล่าเรางก็ทุกข์ยกเมื่อเคยเป็นเออของขบเจ้าให้มีลูกศิษอไปขอองค์ทัพไปช่วยเงินเป็นสีนี้ข้าพเจ้าก็ตระเตรียนทาหลวจะกยกไปช่วยแล้ว แต่รอเร่ต่างมัหุนอย่างเีวจึงเป็นเหตทันี้เกิดขึ้นแตนเหล่าหอก็สป็เหตว่าแต่เสอย่างนี้าปลาปูอย่างนี้ยึงความจินร้ายู่มันเป็นยุทธีกาโบมนกเสือเมต่อเสือเม่ขึ้นฤทธอความผิดผิจนกระทั่งจุนุกกาพนี้เขจรอปีก็เปน่เสือเรืงอ่งมืน มันเป็นต้นเหมอ น, น, นมันเป็นต้นมันเลยเลยหรอันที่มือผิดแะชอบมาเรียดูฟังคำอธิบดเมอยกกองทัพไปช่วเตรียอให้เสียการท้นี้เราปฏิตรรมว่าที่เรื่ควรมผิที่กล่าวว่าเป็นต้นเมือีเลยเป็นต้นมือนเลยนี่เลยไม่มีความผิดมือจัิดมอจัชอบอยเราวจสอบกุศลทหา ให้เอาตตวเล่าหงนี้ไปห้าก็เลยทีเดียเมื่อเสวนาปีทางพระประห้านเหล้าหงเจอแลนันก็มาเห็น่งนมวิจิตรความจริงเหล้าหงคูลยบเมื่อตบบักนี่มีมืสีมากเกลียก่อม เจ้าจะระพีเหวินไม่้มเเหาวาฮองสื้มือสืบมือเบียวแล้วก็ฆ่าคนถือมีอสืบมือเจือเบี้ยวพิราหองก็ล่าเหตุฟังหมดนะไปติดตาเบ่งตัดยังไรเป็นยังไรบเบ่งตะดเกลี่ยกองยังไรเด้ยรบยังไรเด้อห น, นียังไรมานียอ๋อเจ้าจะระพีสัง่งฆ่าไรนีก็มาให้ไม่ถึงตอนนี้นว่าพีเหล่าฮองล่าฟังเบ่งตัดมืเสืบมาเกี่ยกอ เปลี่ยนจากผีลึกซึ่งแล้วก็ฆ่าคนผีลึกซึ่งนี่ก็เห็นเห็นไม่ได้าอย่างูสัตต่อเพอเก็เวกึ่งมาขึ้นนแล้วเ็ึเนอูขึ้นมาอีกนนกขึ้นมาอย่างนี้กเวันลึกซลุเสานแล้วก็เรึรดจรเรียมมอย่างนี้น่ร ทั้งสอระดับนี้มันพ่นขึ้นมาเป็นกำลังก็จะให้เตออนบโตมีเกิดเปลีดเดยนอีกก็ไม่คิดอ่านการปฏิิรรมสงครามระดัสงเพือที่จะร้างแค่ระดับเปลี่ยนอื่นมากสายโจขีดไม่ได้เป็นตังหาขึ้นก็คือมอ๋อ คนตาก็เลยย้าเลยอืมือรมัพไปยังอ่ะทีงหวัดทางบ้านฮุยโตของเจ้าเจ้าเทวส่มนันี้มาเป็นเจ้าเจ้ผีก็ปกติแตก็พิจิตรไปเทียทเท่ยวสมบัติเลือกพระเจ้าเจ้ผีหรือเจ้เเเเมีอ๋องขนไปขึ้นไปถก ยกลงให้ชนะศูนย์สักตัวผมนี่จะเป็นยี่กว่าเัวผมพี่พ่อใส่สามีทั้งสัยเอาผลกนวนยินดีนิดละกดเนเครื่องบันดาลใจมาวาป็นนมากก็มนะีนนนะคนมาคูนกับพระตุลีของหลับหมัดนี้แห่หัวต้นข้ามหเักหลวงพ่อไม่รอดนะแห่หัวต้นนี่ เรียนก็ะกันคนแกามากจากโตเถิดทั้งแรกมีองค์คือพระเจโตเถีเ่ถนี้ก็ตกจังเยิเดาวหยวต้นนะก็ยกข้ากลับนะพอมาถึงเมืองอ เ, อเอองอ น, สนสิแหวติ้ก็ถึงแต่ควานสายมีองค์คือพระ้าโตถิดแตกเป็นกหวต้ตามบรรดาศักุ่มที่ใหญ่แล้วก็ให้โคมศพเป็นสองเควาย ขี่ปมีอมีาคูประมาณแต่ตจากบัางกลเดือนแต่ถ้าเรามมีประมาณวันเดือนปีเนี้มันกมีขอะน จะขึ้นเป็นมีออ๋องแทนติดดาอยู่ทางนั้นประมาณถึงเดือนเพิ่งถึงเดือนสิหยยมีมร้างร้อ ง, อ, งอยู่ตรเมืองสซนเซ็ตและมีราชสีห์นะคือราชสีห์มีราชสีห์เข้ามาเที่ยมืองเมืออิ น, นแล้วก็กลับอืมเกิดเหตุยังที่ควก็เหตุทั้งส อ, องเนี่ยไปพดกับมือ๋อ ทูลกับโจผีท่มนหนงพญามังกรมีสีตัวเหลืองมีสับบางภาา่ามัดมาสัแนแดงริบเปรื่อวรอยอยู่บนอากาศเป็นอกสสัญใหญ่ถามองตั้งหรายทั้งเตียงก็เห็นโจผีก็เห็นด้วยก็เห็นเหมือนพญามังกรด้วยมีของคือโจผี เหนเหตุสประการนี้เป็นอัศจรรย์มนะีนื้อหาริโต๊ะเขาจีที่เป็นผู้นนึงที่เผาและขึนที่ใหญที่มาทั้งวมาพร้อมกันแล้วก็ถามว่าเหตุใหญ่สมประการเป็นอัศจรรปรากฏในเมืองเราบงเมืจะรายประการใ ด, ดรที่ตอนนี้โัวีนี้อ น, นี้ครับ เนื้อผิวี่เจลิเตโฉกกำสร้า ง, งไว้ใหญ่โต ม, มาโ ห, ห, หร่าหนากหนาขกว่าทู่โตอันเป็นเือเหนียวงที่เขาะยึดเ ต, เตประทับอยู่เพื่ออีกอนนี้เขาอยู่ที่เนื้อผิเบียกยมาตุจาระววเหตุการณการเกษตรจังเ ง, งาเไร่ดินเราป ล, ลิโตและข้าวตีก็อันตเก คนอันใหญ่จะไม่จงเลวสี่ปะวัติแบบนมันมมาเกิดที่มีข อ, องมุขห น, นี้ใหญ่หลวนะกควรจะได้รักษาสมบักเป็นเจ้ากันดีจังเกิดเหตุมียมบปนคนที่ปวงให้มีความยินดีรักใครท่านนะักหนก็จะข้นให้ท่านเนี่ยเป็นเจ้า ศกเขาปีอออกระบปีดังนี้พอจิม้มลที่ใหญ่ปี๋ห้อทั้งหลายก็ปรึกษาพร้อมกันว่าเราจะไปปีดเพราะเตื่องเต๋อว่าควรที่จะมอบราชสมบัติให้กับผี ก็มีสติปัญญารีรบหอบเอ็ดอ้อมไผ่ฟ้าข่าแผ่นดินปราศร้องที่เย็นฤดูยเย็นเป็นซุกข้าแต่เจา้าตัวหนึ่งตัวเตี้ยได้มาถึงที่ใหญ่ที่มอส่งทผ่ฟ้าค่าแผ่นดินนี้ปึกษาพร้อมกันเห็นสมควรแล้วที่จะตกตั้งรักษาแผ่นดินสืบไปได้ขอให้พระเอลมอเฤาษีสมัติให้แกตัวผีเถิด พระองค์ก็จะได้เป็นสุดไมมีความทุกข์และทุระใดมกก็พูดเอาเยทีเดียวพูดเอาเสนดีเลยทีเดียวคาพูดดีแต่ผู้รับในคำพูดเ่านี้ที่เือเนามนี้ก็ตกจงะลไปเป็นคู่เลยทีเดียวก็จะถูกพอแต่ก็ะสมัคร เรามีมากคุณโมทันเตียงแล้วเม่ที่สุดก็รองห้แล้วก็พูยร์ลเราคิดถึงพระเจ้าให้กิดจ้เป็นต้นชื่อพระเจ้าอย่งของเราและพญาติเมืทันเตียงเมืเ่อเราจะสมัครเศเศกกามาเชีย น, นก็ประมาณที่สี่ยงรถตีอยู่แล้วมถงเราเรานี้ อ, อนกัก์ก็ีแต่ว่าก็เด้รักษ ส, สมััติของตัแต่ก่อนได้โดยสักดิ์โดยฐานยิ่มีความผิปดปกตไมาอย่างไรไม้มนเลยพวกเราจะยกประคสมคัติแก่ผู้อื่นนั้นเห็้ไม่บงังควบขอายข้มงบทั้งเตียงเด็พร้อมกันติดสาหารีกันอีกครั้งหนึ่งเถิะพ้าเปรย์เปเยรยกลับนอนนิเหื่อหยืตอนนีก้ก็ออกไป ที่ตกข้าไปถึงหนึ่งทเกขเอ่อเข้ามาฟังพยยี่ด้อยพิมพ์เต็มคือที่ออกไปแล้วไม่ได้บอกกลางใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเน่ยพระองค์เป็นปรึกษาที่เทากข์ของคนนี้เถิดถ้าว่าจะควรและจะไม่ควรกระทำใดก็จะเชื่อฟังได้ไดมีเวริสปึกษากับ ลิตกและเาขาสีก็ลิโต้กับเขาตีนี่ตนะ้อคิดถึงจะให้โจผีขนะึ้นครองราชสมบัติน่ะเฮัยนก็คนยึงสองเนี่ยมาให้เราไปเปนเจติศาบิตากูก็ถือแหละแต่โจผีไม่ขึ้นเป็นวีอ๋องแทนโจโฉพู้ดิดามันประเจ้มากระโดงนั่งเงิราบคาลับนองอยู่เย็ยนเป็นสุก กลางเหงืก็เปินเมเหงก็มาร้องเมืองฤาษีก็เข้ามาเที่ยมในขอบขันตะเสมเมฆพระยามันก่อนก็มาเลี่ยงลอยการอากาศเป็นอสสัศจใหญ่ขนะ้าพเจ้าเห็นว่โเจผีมีบุญนาะกควรจะรัเจะสน ข้าหมองยปริึ้นดำหัพระพระอ จะขาดเหลือขอเพระองค์จรละรื่สมัตรนอกใจโจผีเถถ้าเพ่งจะขัดขืนไปดเห็นจะเป็นอันตรายเป็นนุ่นคนมียกเหตุยกผลงานที่เป็นห็่นยกขนคันมาก่ามาอ้านยกถอยยกคนมาปอบมาเยนมาชี้ไม่พิสูจน์ก็หนไปเลย หากนขั้เขินไปมันจะเป็นอันตรายเป็นมั่นคนถ้าได้ยินเตะเล็กบางบางคนก็รอให้มกับเข้าไปยังไม่กนั้ประการใดคุณน้องท่ตวงมายถึงคุณมูลของเจ้าผีคุณมูลท่ดงก็เหวอเอื้ออขึ้นแล้วก็พาจนตัดเปรน ก็ะเจ้อยุ่งเตะให้กระพระเจ้าจีอังคือโจผีอย่างแรกถึงยอดสำเร็จแต่คุณหทั่งพียงก็เวลากันอีกอีคือเพียงแต่อย่างยอดสำเร็จแต่ก็ตสำเร็จรีบคุณนูทั้งงก็เข้าบางในที่ประเด็ออกอีกร้องกันแล้วก็ใช้ทัท เ, ยเทียงให้ไปเชิกประเด็จเพื่ิเตออกมา เขอสหมีลูกสาวโจ้โที่นาท่านเจ้มิเบปวว บาทยีย่พนะี่น้องกรธเกียนะมีนาเราก็มีวิ่ที่ประเทศาำแต่เจ้าคนดีแบับนี้พี่ชายเร า, ไ ม, า, าไม่พยายามดายองนี้ทำไรซิที่ควรจะเชื่อเราะสมครคนอย่างนี้นหอจะเรีมมเธธาาไม่เทพยดาก็มีแต่เอพอพรมีเกหเฮงว่างเสรแล้วก็ร้องหกับเข้าไปข้างใน อย่างท้งเขขตียงตึงอยู่ในตันนักครเอตโมเม้นก็ร้องหิ้วก็นพี่ อ, นอินปะถึงกับนอนนอนตัดสินพระเจ้าเย็นเต้อแล้วเวลาไม่ไหนทั้งหลายทั้งเตียงหลามนี้ก็สิ้นทุ่มไปเบี้ยะฟังบเต๋อต ง, งันเตหงก็เรงเหตุะเจาเ็นเต๋อสร็จไปที่ อ, อกนิ้วพระเจ้าเย็นเต๋อขับมิได้ก็ถอเกเพื่อบังกร มเม็นเสื้อมันมีแขนที่ยังสูงที่เคยเซ็นอยู่เน่อ่าที่เคยเซ็นออกมอนี่นออกซะผอเสื้อออกเลยผีรู้่เราจะต้องถคาะอด อ, ออกจเราจะสมัครนี่ยแล้วก็ซนเสื้อ่ยังธรรมดาธรรมดาออกไปพอออกไปปิดห น, นก็ถูรวละเพระเองจะยอมให้สมัครจะโจผี าคคการคลนขึ้นทั้งเกลียปึกษาหรือไม่ถ้าเพื่นยอมให้แล้วแต่จะเป็นสวัสดีนาเป็นอันตรายมากที่เพือนตัวเด็กปานนี้นก็ร้องห้แล้วก็วกลิ้งขึ้นลงจะบราณจะยกสัวเมื่อวัดภาพตัวเมี่อครั้เงเชือนของเราสืดสีดมาลืมหลา คนปะเสต่นต่อต่อกันมาเหตุใดที่ไม่ที่ถึงพระเดชพระคุณเลยมาคิดอ่านประพุทธกรเรื่องอะไเราบางทีเรงนี้ก็ตื่นะถ้าใครมีคนตามคำคุณนี้ศาในเรนี้ก็ใมันมตารางะอียดมาถึางจะเราจะมั่นคงถ้าเราจะิเรืง่งจะต้อคิดร่องจะต้องก่อนนะนี่แหละที่จเติบโ้ ถ้าทิ้นเราท่าเตลียนไม่ได้คิดร้ายต่อเราที่ใดจะมาทำร้ายต่อเราล่ะก็บดิกามทำเรว่อยไร้ว่าจะมีเพราะเธอเด็กก็ตราบเนี่ยถ้าทินงเราจะีที่จะร้าต่อเราที่ใดจะมาทำร้ายต่อเราล่ะคุยกันด้ววเงไม่ัเดียวแล้วก็ที่าแล้วมอดูวหนูเนาะเรคิด ความคิดน้วยไม่รอครบคอบหารีปิจะปกต้องรักษาสมบัติแต่จะเกิดเติมไม่รักกันเร็วขึ้นทำอุาสรรคเยอะระดมทุกเมื่นจึงมี้จริญเดือดอิดโยธีเกิดทำตรงตรงนี้เขาก็จะตกลง่ําจัดพระเอ็นก่อนได้ก็ทำตรงตรนี้ด้ว ย, ย, ย ด, จจวดคยีความเอ็นดีต่อพระเองนเพื่อเพื่อมีความสุขปราถนาเจ้าบ้านมีราคา่ะ เพต่อมคุณระทศใหม่พลนยอมทีเนีประถาใรัฐบลกํเิบขกมัตรงาศัยนเอนหรือเพื่อเ็นเตองันั้นคือเเ็นเอนมีอมกําลังมีทั้งนี้มีประกใดยไร่ดกุ